รวมสิขาบทที่มีในปาราชิกันปาราชิกันมี4สิขาบทคือ 1. ปาราชิกสิขาบทที่1ว่าด้วยการเสพเมตุนธรรม 2. ปาราชิกสิขาบทที่2ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. ปาราชิกสิขาบทที่3ว่าด้วยการพรากายมนุษย์ 4. ปาราชิกสิขาบทที่4 ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมสิขาบทเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการตัดรากเหง้าอย่างไม่ต้องสงสัยปาราชิ ก, กันจบ